ฟังธรรมะก็ต้องมีใจที่สงบสัมรวมใจฟุ้งซ่านเราก็ฟังธรรมะไม่ได้ธร ร, ร ธ, ธ, รรรธรรมะเป็นของพระนีตของสูงเวลาฟังธรรมฟังเพื่อความเคารพธรรมะเป็นของพระพุทธเจ้าท่านมอบธรรมะไว้ให้แทนตัวท่านท่านปรินิพาน ท่านให้ธรรมะเป็นศาสดาสืบต่อมาสมัยยังมีพระศาสดาอยู่วเวลาใครปฏิบัติถูกปฏิบัติผิดท่านชี้ขาดให้มายุคเราเราก็ต้องเอาธรรมะเป็นตัวชี้ขาดการปฏิบัติอะไรถูกอะไรผิดไม่ใช่โมเมลส่วนมากเราจรณีประนอมสูง กระทั่งกับศาสนาอื่นๆนะเราก็ไปบอกว่าดีเหมือนเหมือนกันพูดส่งเดชต้องบอกว่าดีด้วยกันนะเขาก็ดีอย่างของเขาเราก็ดีอย่างของเราไม่เหมือนกันก็ดีด้วยกันแหละต้องใช้ทํามนองนะั้นในแวดวงชาวพุทธเรานี้ก็เหมือนกันสมัยพุทธกาลนะสำนักอื่นๆเขาก็แยกตัวออกไปเขามีมาก่อนพระพุทธเจ้าสี สำนักใหญ่ๆก็มีเยอะแยะไปแต่ละสำนักเขาก็มีคำสอนของเขาเองไม่ปนกันมี่พอศาสนาพุทธเกิดเท่นมาลัที่อื่นๆทนเหตุผลความสมเหตุสมผลของพระพุทธศาสนาไม่ได้ก็เสื่อมความนิยมไปยุคแรกก็ใช้วิธีแกล้งใส่ร้ายป้ายสีอะไรอย่างนี้ เวลากลุ่มใหม่เกิดขึ้นแนละ้วต้องถูกกลุ่มเก่าโจมจีเสียผลประโยชน์จ้างผู้หญิงมาบอกว่าท้องกับพระพุทธเจ้าอะไรอเสี้ยให้เสียชื่อจีก็ทำจ้างคนไปดา่าพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยทำได้สารพัดใส่ร้ายป้ายสีอะไรพวกนี้นี่ศาสนาพุทธนะมันมีความสมเหตุสมผลมีพลังอยู่ในตัวเอง ไม่มีใครต้านทานได้ตั้งแต่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรมันบอกท่านหมุนกงล้อแห่งธรรมไปแนละ้วเหมือนกองล้อรถศึกของพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อรถศึกของพระเจ้าจักรพรรดิเคลื่อนที่ไปก็ไม่มีใครต้านทานได้เมื่อธรรมจักรของพระพุทธเจ้าหมุนแล้วก็ไม่มีใครต้านทานได้ท่านก็ชนะ ศา ส, สนาพุทธก็รุ่งเรืองรุ่งเรืองมากมากเนะี่ยพอหมดพุทธเจ้าชาติพวกเรลวไหลนะก็เข้ามาปลอมปนอยู่ในศาสนาพุทธเยี่ยจริงมีตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะแต่พุทธเจ้ายัางอยูนะ่พวกไม่ดีก็เข้ามาบวชอยู่ในศาสนาพุทธพอพอคนนับถือลาบสักการะก็เยอะคนก็นแอบแฝงเข้ามาหาผลประโยชน์ แอบแฝงหาผลประโยชน์จากศาสนามีมาตลอดบางคนเจ็บไข้ได้ป่วยก็มาบวชก็มีหมอรักษาให้ฟรีจนหมอทนไม่ไหวนะหมอชีวกกรมรพัฒบอกไปทูลพู้เจ้าว่าถ้าคนเป็นโรคแบบนี้แบบนี้ยอย่ารับมาบวชเลยวันนี้ไม่ได้คิดจะบวชจริงหรอกมีการแฝงหาผลประโยชน์ที่มีมาตลอดนะเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาเลยที่ไหนมีผลประโยชน์ก็มีคน เข้าไปแอบแฝงทุก ท, ที่เหมือนกันหมดว่าถึงยุคเราอย่างในสภาในรัฐบาลในอะไรมันก็มีคนแอบแฝงเข้าไปหามีที่มีผลประโยชน์สมัยพระเจ้ายังอยู่ท่านยังชี้ขาดได้ไหนถูกไหนผิดพอสิ้นพระพรทเจ้าแล้วเนี่ยไม่มีใครควบคุม นอกศาสนาพุทธเนี่ยก็แอบแฝงเข้ามาอยู่ในศาสนาพุทธนี่เยอะมากเลยแล้วก็ยังแอบมาตลอดนะถึงยุคเรานี้ก็ยังแอบอยู่นะส่วนในที่สุดเขาก็เผยแพร่คาสอนของเขาปนมาในคำสอนของพระพุทธเจ้าคนทั่วๆไปแยกไม่ออกละทีเดียรละทีต่างๆปนเข้ามามากมายเชื่อนะทังพระที่ดีๆนะท่านทนไม่ไหว ในปีพศสองร้อยกว่ า, วาพระโมก ค, คลีบุตรติสสะท่านทนไม่ได้นะท่านก็หนีไปอยู่ในกับพวกพิกสูทั้งหลายไม่ไหวนะพวกอรัชีมากพวกพิกสูดีๆเหลือน้อยอ่อนกำลังลงชาวบ้านก็นับถือพวกเหลวไหลจริงไหมเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นพวกเหลวไหลนะ่ะคนนับถือเยอะนะพวกสอนธรรมาจริงๆมันก็มีใครนับถือหรอ ก็ท่านติดตัวไปพระเจ้ า, าโศกหันมานับถือพระพุทธศาสนาอยากจะฟื้นฟูธรรมะที่สะารหมดจดขึ้นมาเที่ยวหาว่าใครจะมารับภาระนี้ได้พวกพระดีๆก็ไยบอกว่ามีพระโมคลริบุตรติสะอยู่องค์ไปนิมนต์ท่านมาทำสังขยะนาตรวจสอบพธรทมวินัยวันไหนเป็นคำสอนที่ถูกต้องของพระพุทธเจ้า ยุนั้นก็ท่านเก่งท่านมีฝีมือมากพวกเราเคยได้ยินชื่อพระอุปคุธนหะในฝ่ายเทราวาฒเรามีพระโมคคะลีบุตรติสสะเทระไม่มีใครรู้จักฝ่ายมหายานในองค์ที่มาช่วยเรื่องสังฆยนานะคือพระอุปคุธรู้จักพระอุปคุดหรรู้จักพระโมคคลี บากท่านว่าองค์เดียวกันนะท่านว่าควรละองกันจะเป็นองค์ไหนไม่สำคัญแต่ว่าท่านประมวลธรรมะที่สะอาดหมดจดเน่นขึ้นมาอีกรอบหนึ่งจากนั้นพอมีหลักธรรมะที่ถูกต้องแล้วนะพระเจ้าโศกท่านสอบสวนพวกพระเลยถ้าคนไหนตอบไม่ได้นะ่านว่าศา ส, สนาพูดสอนอะไร ท่านรู้เลยว่านี่ของปลอมท่านให้สึกไม่ได้ลงโทษอะไรนะเอาผ้าขาวให้ให้เปลี่ยนผ้าไม่ให้ใช้ผ้าเหลืองช่วงน้นเป็นช่วงที่คลีนศาสนาพุทธได้ดีที่สุดครั้งหนึ่งพอหมดพระเจ้าโศกไปหมดคนที่เป็นหลักในการดูแลศาสนาไปพวกนี้ก็แฝงเข้ามาอีกเงินเวลาที่พวกเรา ได้ยินได้ฟังธรรมะทุกวันนี้นะเรากฟังธรรมะเราฟังสัตธรรมปฏิรูปเปน็นอันมากนะมีมากมายเลยนะอย่างทาสอนบางพวกบางกลุ่มก็สอนไม่ต้องปฏิบัติหรอกไม่ต้องปฏิบัติจิตนี่ดีอยู่แล้วไม่ต้องปฏิบัติเลยจิตมันดีอยู่แล้วนะหรือรักษาจิตให้นิ่งให้ว่าง คองจิตให้นิ่งให้ว่างเป็นเน้นที่ความว่างอันนี้ไม่ใช่คำสอนของพุทธเจ้าคือบอกสิ่งทั้งหลายไม่มีเหตุหร อ, อกคือบอกว่าการกระทำไม่มีผลของการกระทำศีล ส, สมาธิปัญญาไม่ต้องทำไม่ตจิตมันดีอยู่แล้วไม่ต้องไปทำอะไรเนื่อเป็นมิจฉาทิฏฐินาชชนิดนะที่แฝงเข้ามา หรือฟัน่ิพานเป็นโลกโรหนึ่งก็เป็นวิชาทิฏฐิที่แฝงเข้ามาทุกวันที่เต็มไปหมดเลยนะธรรมะแท้ๆนั้นแทบไม่มีคนสนใจอย่างบุญนะว่าพวกเราสนใจศึกษาศึกษาอย่างเดียวไม่พอต้องลงมือปฏิบัติด้วยปฏิบัติอะไรบ้างก็มาเรียนรู้ การปฏิบัติธรรมของพระพุทธาศาสนาเนี่ยพูดง่ายๆนะคือการเรียนนั่นเองที่ว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมไม่ใช่ทําอะไรแปลกๆหรอกคนไทยไปแปลคําว่าปฏิบัตินะหมายถึงต้องทําอะไรสัอย่างถ้าจะทําอะไรสัอย่างต้องทให้ถูกที่พระเจ้าสอนก็คือศึกขาคือการศึกษานั่นเองขนาดพระโสดาพระสกทาคาพระอนาคายยังเป็นนักศึกษาเลย คนที่ศึกษาเสร็จแล้วไม่ต้องศึกษามีแต่พระหรลานขนาดพระนาคายังต้องศึกษาลแล้วเราอย่างพวกเราไม่ศึกษาได้ยังไงแี่นหน้าที่เราต้องเรียนนะเรียนให้รู้หลักคำสอนของพระเจ้าที่ถูกต้องอย่างน้อยความรู้พื้นฐานควรจะรู้มีอยู่ไม่ไม่มากเท่าไหร่อย่างเรื่อง เกี่ยวกับสติปัฏฐา น, นเนี่ยพวกเราควรจะเรียนแต่ต้องระวังนะคนอธิบายสติปัฏฐานเพีย้ยนแล้วก็เยอะมากเลยเรื่องไตรลักษณ์ต้องเรียนเรื่องขันห้าเรื่องอริยสัจอะไรใ น, นเรื่องที่ต้องเรียนหลักๆนะก็มีไม่มากหรอกถ้าศึกษาแล้วก็รู้วิธีปฏิบัติแล้วก็ลงมือปฏิบัติการปฏิบัติก็คือการศึกษานั่นเองเป็นการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่ง การเรียนปริยัติก็คือการศึกษาเรียกว่าเรียนถ้าทางวิจัยถ้าเหมือนศึกษางานวิทยาศาสตร์ศึกษาเอกสารแต่ว่าพอลงมือปฏิบัติเนี่ยมันคือการศึกษาภาคสนามลงไปงานวิจัยจริงๆภาคสนามเลยไปดูว่าของจริงเป็นไงเบื้องต้นก็ต้องสำรวจข้อมูลเก่าๆก่อนความรู้ของคนอื่นอันนี้เทียบเก็คือการเรียนปริยัตนั่นเอง เรื่งความรู้ที่พระพุทธเจ้าสอนมาเราเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องได้แล้วลงมือปฏิบัติขั้นลงมือปฏิบัติเนี่ยคือการเรียนภาคสนามการทํางานวิจัยแล้วดูตัวอย่างของจริงศึกษาอะไรที่เป็นตัวอย่างในการศึกษารูปธรรมกับ น, นามธรรมแจกแจงรูปธรรมนามธรรมออกไปได้อีกแจกแจงเป็นขันห้าก็ได้ในขันห้านัก็มีรูปธรรมอยู่หนึ่งนามธรรมอยู่สี่ แจกแจงเป็นอายตนาหก็ได้ในอายตนาหกเนี่ยมีรู ป, ปรธรรมอยู่ห้ามีนามนธรรมอยู่หนึ่งตาหูจมูกลิ้นกายเป็นรู ป, ปรธรรมใจเป็นนามนธรรมถ้าในขันห้านี้นะนามนธรรมมากในอายตนะเนี่ยรู ป, ปรธรรมมากเวลาพระเจ้าสอนนะท่านก็สอนตามฉดิตนิสัยพวกที่เหมาะกับการเรียนเรื่องนามนธรรมดูจิตดูใจอะไรท่านจะเน้นเรื่องขันหานามนธรรมมีมาก พวที่ถนัดเรื่องกายเรื่องอนะไรนีท่านจะเน้นไปนเรื่องอายตนนะถ้าพวกที่ต้องการความรู้มากๆท่านก็สอนขยายออกไปนะเป็นเรื่องธาตุสิบธาตุสินี่มีรูปธรรมมากมายนามธรรมมากมายนะเยอะแยะบางทีท่านก็สอนขยายออกไปนะเป็นอินทรีย์ย2่สิอินทรีย์ย2่สิบนวนมากเลยส่วนใหญ่เลยเป็นนามธรรม พวกเราดูจิต ด, ดูใจเนี่ยเราเก้าวไปถึงการดูอินสี์เลยไม่ใช่ดูแค่ขันห้าหรอกตอนนี้ลึกซึ้งมากมายกว่านั้นเยอะหรือพวกปัญญากแก่กล้าจริงๆนะท่านแยกรูปนามสอนละเอียดขึ้นไปสุดขีดเลยให้เห็นกระบวนการของมันนะท่านสอนถึงปฏิจากสมุ ป, ปบาทเนะนี่ยไม่ว่าจะเป็นขันห้านะอายตนะหก ห้าิอิน4 22ยปฏติจจะสูบบาท12 12 2 4สนะิย่อลงมาก็คือรูปธรรมกับ น, นามธรรมนั่นเองหน้าที่ของเราต้องมาเรียนรู้รูปธรรม น, นามธรรมของตัวเองที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเราเราปฏิบัติธรรมนีนะเพื่อจะมาดูความจริงวิจัยภาคสนามมาดูความจริงว่ารูปธรรม น, นามธรรมที่ประกอบกันเป็นตัวเราเนี่ยมันใช่ตัวเราจริงหรือไม่ใช่ ปัญญาเบื้องต้นพระโสดาบัตมีปัญญาเบื้องต้นท่านจะเห็นความจริงว่ารูปธรรมนามธรรมหรือขันห้ายตนะหกธาตุสิปดอินสียี่สบสองหรือปฏิจจสุบาทอะไรเนี่ยมีแต่รูปธรรมนามธรรมไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์อะไรทั้งสิ้นเป็นแค่สภาวธรรมของรูปธรรมนามธรรมสภาวธรรมรูปธรรมนามธรรมไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขา ถ้าเห็นอย่างนี้รู้ว่าตัวเราไม่มีตัวเราไม่มีที่ตั้งของความทุกขก์เป็นตั้งที่ไหนตัวเราไม่มีในพระโสดาบันเนี่ยท่านจะเห็นเว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับท่านดูขันไปเรียนรู้ขันห้าไปเรียนอัยะหน้าหเรียนเนี่ยเรียนรูปเรียนนามเนี่ยจะเห็นความจริงเลยรูปใดเกิดรูปนั้นดับนามใดเกิดนามนั้นดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับ ไม่มีอะไรที่เป็นอมตะถาวรเลยนะในสิ่งที่เรียกว่าตัวเราตัวเรานะั้นเพราะงั้นในความเป็นจริงเราไม่มีตัวเราที่ถาวรขึ้นมาคําว่าอัตตาอัตตาเนี่ยคนไทยไมัใช้คาผิดนะอย่างพวกเซลจัดบอกว่าอัตตาอนะไรย่างเงี้ยเซลจัดนี่มันเป็นกิเลสอีกพวกหนึ่งเรียกว่ามานะกนะูแน่กูหนึ่งคนคนอื่นสู้กูไม่ได้ไม่ใช่ตัวตาต า, า, ตาจริงๆไม่มีหรอกเนี่ยพระโสดาบันจะเห็นว่า ตัวเราไม่มีตัวเราไม่มีแล้วมันมีอะไรมีมีธาตุมีขันอย่างนี้อยู่มีการทำงานแต่ไม่มีผู้ทำงานมีการทำงานของธาตุของขันแต่ไม่มีผู้ทำงานอยู่ไม่มีเราขั้นพระโสดาขั้นพระสกตาคาขั้นพระนาคาก็จะเห็นในนี้เห็นมีการทำงานแต่ไม่มีเราจิตก็ยังทำงานอยู่ ขั้นพระรานะอรหันต์ไม่มีผู้กระทํานะไม่มีการกระทําเลยหมดจากคาวะกรรมไม่มีการกระทําทุกอย่างเป็นกิริยาของขันรวนๆเลยขันมันทําไม่ใช่เราทําไม่มีผู้กระทําขันนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยเท่านั้นเองมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้อันนี้เป็นธรรมะขั้นสุดท้ายแล้วนะดัเบื้องต้นพวกเรามาพาวนามาเรียนรู้ รูปประตำนามาธรรมที่ประกอบกันเป็นตัวเราเนี่เบื้องต้นมาเรียนแค่ว่ารูปนี้ไม่ใช่เรานามทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่ตัวเราเหมือนที่เราคิดคําว่าไม่ใช่เราก็คือเห็นมันเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนที่แท้จริงอะไรปิดบังอนัตตาทําให้เราไม่เห็นอนัตตาคณะคณะนะคอรักขัง น, นหนูคณะเป็นตัวปิดบงังไม่ให้เราเห็นอนัตตา คณะคืออะไรคณะก็คือการที่รูปนามทั้งหลายนั้นมันมารวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนเดียวกันมันทำให้เรารู้สึกว่าตัวเรามีอยู่จริงๆถ้ารูปนามนั้นแตกกระจายออกเรียกคณะมันแตกรูปนามมันแตกออกมันจะเหลือแต่รูปประธรรมและนามธรรมา ท, ทั้งหลายรูปประธรรมทั้งหลายก็ไม่ใช่ตัวเรานามธรรมา ท, ทั้งหลายก็ไม่ใช่ตัวเรายกตัวอย่าง เพื่อให้เข้าใจง่ายเหมือนเรามีรถยนต์อยู่หนึ่งคันเราคิดว่ารถยนต์มีจริงจริงคจริงรถยนต์เพื่อเกิดจากกลุ่มก้อนของวัตถุจํานวนมากอะไรจํานวนมากที่มารวมกันเป็นรถยนต์พอมันมารวมกันขึ้นมาแล้วเราก็ไปสำคัญมั่นหมายว่ารถยนต์มีจริงๆริงก็เลยคิดว่าเหมือนอย่างคัน5้ามารวมกันเนี้ยเราก็คิดว่าตัวเรามีจริงๆ แต่ถ้าเราถอดรถยนตออกเป็นชิ้นชิ้นะถอดลูกล้อไปถอดฝาครอบล้อถอดลูกล้อนะถอดน้นถอดนี่ไปเรื่อยในส่วนก็เป็นกองวัสดุจํานวนมากรถยนต์หายไปแล้วเพราะหลอดไฟไม่ใช่รถยนต์สายไฟไม่ใช่รถยนต์เกียร์ไม่ใช่รถยนต์คันเร่งไม่ใช่รถยนต์พวงมาลัยก็ไม่ใช่รถยนเบาะก็ไม่ใช่รถจนตตัวถังก็ไม่ใช่รถยนต์เครื่องยนต์ก็ไม่ใช่ตัวรถจนต์ความเป็นรถยนต์นั้นหายไป น, นความเป็นรถยน์จริงๆเป็นภาพลวงตาซึ่งเกิดจากคณะคอร์คังรอ น, นูคณะของอะไรจํจนวนมากที่มารวมกันวิธีที่จะให้เห็นความจริงว่ารถจนต์ไม่มีถอดมันออกมาเป็นชิ้นๆวิธีที่จะให้เห็นว่าตัวเราไม่มีนะก็คือถอดตัวเราออกมาเป็นชิ้นๆเหมือนกันจะถอดออกมาในแง่ของขันหก็ได้ถอดในแง่ของอายตนะหก็ได้ถอดในแง่ของ ธาสบก็ได้นะถอดในแง่ของอินทรีย์22ก็ได้นะถอดในแง่ใดก็ไดนะ้แยกสิ่งที่เป็นตัวเราเนียออกมาเป็นส่วนๆแล้วจะพบว่าแต่ละส่วนไม่ใช่ตัวเราเนะนี่ยเป็นหลักการปฏิบัตินะเรียกว่าเรียนรู้ความจริงด้วยการจับมันแยกนะวิพัชชวิถีวาแหวนสระอีพอสำเภาเวทนาอากาศฉอช้างวิพัฒนวิพัชวิีชชว พระพุทธเจ้าสอนนีพัฒชวิธีสอนให้เราแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆนนี้จะแยกตัวเราออกเป็นส่วนๆได้นี่มีเงื่อนไขมันมีเงื่อนไขอันแรกเลยจิตจะต้องถอดถอนตัวเองออกจากโลกของความคิดให้ได้จิตจะต้องถอยออกมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมาเป็นคนดูให้ได้ถ้าจิตยังหลงงมงายอยู่ในโลกของความคิดนะสัญญาก็จะไปหมาย ก็ไปวิปลาสสัญญาวิปลาสไปหมายรู้ ผ, ผ Arizona, water, ิดผิดว่าไอ้กลุ่มก้อนนี้คือตัวเราจิตแต่วิปลาสคิดผิดผิดว่าไอ้กลุ่มก้อนนี้คือตัวเราสุดท้ายก็มีทิฏฐิวิปลาสมีความเชื่อมีความเห็นผิดผิดว่าไอ้กลุ่มก้อนนี้คือตัวเราดงั้นต้องทําลายไอ้กลุ่มก้อนนี้ออกมาเป็นส่วนๆให้ได้วิธีทําลายเนี่ยอันแรกเลยต้มาฝึกจิตให้มาเป็นคนดูให้ได้ การที่จะทําลายตัวเองเป็นส่วนๆแล้วเห็นความจริงของแต่ละส่วนนั้นเรียกว่าการเจริญปัญญาก่อนที่จะถึงขั้นปัญญาสิกขาจะต้องมาเรียนเรื่องจิตกสิกขาให้ดีจิตกสิกขาเราต้องมาเรียนเรื่องจิตจนกระทั่งจิตนั้นถอดถอนตัวเองออกมาเป็นคนดูได้มันเห็นร่างกายอยู่ส่วนร่างกายจิตอยู่ส่วนจิตนะร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูเนี่ยมันแยกออกมาได้จิตมันตั้งมั่นเป็นคนดูขึ้นมานั่นแหละ ความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายนะจิตเป็นคนดูนความสุขความทุกข์ความเฉยๆเกิดขึ้นในจิตจิตเป็นคนดูมันแยกออกมาจะเห็นเลยว่ากิเลสก็ไม่ใช่จิตจิตก็ไม่ใช่กิเลสคนละอันกันความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่จิตด้วยคละอันกับจิตร่างกายก็โคละอันกับจิตแนี่ยแยกกันออกมาสมัยก่อนมีน้อยหายากเดี๋ยวนี้เยอะถึงขั้นแยกธาตุแยกขันได้นี่มีมากแล้ว แยกธาแยกขันได้เป็นจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญาในปริยัติเรียกว่านามรูปปริเฉทยานนามรูปปริเฉเทยานยานที่แยกรูปนามได้ก่อนหน้านี้ก็สอนกันผิดๆเยอะเลยนะเรื่องอิโสรถยานสอนนามรูปปริเฉเทยานเห็นรูปยกกับรูปยก่างคนละรูปนั่นมันรูปกับรูปไม่แยกรูปกับรูปไม่ใช่แยกรูปกับนามแยกรูป รูปพองกับรูปยุคคนละรูปเนี่ยบอกนามรูปปริเชทะยานไม่ใช่นันมันรูปกับรูปต้อแยกรูปกับนามนามก็คือตัวรู้นั่นเองร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนรู้ไปร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนรู้ไปแยกอย่างนี้ดังนั้นก่อนอื่นก่อนที่เราจะมาเจริญปัญญาได้เนี่ยเราต้องแยกรูปแยกนามให้ได้ก่อนจะแยกรูปแนกแยกนามให้ได้ต้องมาฝึกจิตให้เป็นคนดูให้ได้วิธีฝึกจิตให้เป็นคนดูทําได้หลายแบบ ถ้าทำฌานได้ก็ทำฌานถึงฌานที่สองนะละวิตกวิจารณ์จิตจะทวนกระแสเข้ามาถึงจิตตั้งมั่นขึ้นมาถ้ายังมีวิตกคือการตรึกในอารมณ์นะมีวิจารณ์คือการที่จิตยังเคล้าเคลียอยู่ในอารมณ์กรรมฐานอยู่เนี่ยจิตยังเคลื่อนออกไปจิตไม่ตั้งมั่นต้องถึงฌานที่สองนะละวิตกวิจารณ์ไม่ตรึกไม่ตรองในอารมณ์กรรมฐานนะจิตทวนเข้ามาถึงจิตได้ทิ้งดวงปฏิภาคนิมิตจิตทวนเข้าฐานจิต ดังได้ตัวรู้ที่ทรงพลังมากนะออกจากฌานมาแล้วเนี่ยตัวรู้เนี่ยทรงอยู่ได้นานนะแต่ก็ไม่เกินเจดวันก็เสื่อมเพราะมันก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์วิธีนี้พวกเราทําไม่ค่อยจะได้เพราะเราเข้าฌานไม่เป็นอีกวิธีที่ง่ายกว่านั้นนะั่นคือรู้ทันจิต ท, ที่เคลื่อนไปหัดกรรมฐานสักอย่างหนึ่งก่อนพวกเราต้องหัดกรรมฐานสักอย่างหนึ่งก่อนใครถนัดกรรมฐานอะไรทามันนั้นแหละ เคยพุทโธก็พุทโธเคยรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจเคยขยับมือทําจังหวะก็ขยับมือไปเคยดูท้องของยกก็ดูไปเคยรู้อิริยาบทสี่ก็รู้ไปนะเคยดูกิเลสตัวอะไรในจิตในใจนะดูความสุขความทุกข์อะไรก็รู้ไปทํากรรมฐานอย่างเดิมนั่นแหละแต่ไม่ใช่ทํากรรมฐานเพื่อรู้อารมณ์กรรมฐานอนนั้นไม่ใช่หายใจเพื่อจะรู้ลมหายใจไม่ใช่ดูท้องของยกลเพื่อจะรู้ท้องเรามาทํากรรมฐานเพื่อจะมารู้ทันจิตที่มันเคลื่อนไป เช่นเราหายใจออกหายใจเข้าไปเรื่อยจิตเคลื่อนไปคิดลืมเรื่องลมหายใจจิตเคลื่อนไปคิดให้เรามีสติรู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปหายใจไปหายใจไปจิตเคลื่อนไปจับนิ่งๆอยู่ที่ลมหายใจไปเพ่งลมหายใจให้รู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปเพ่งลมหายใจแล้วการที่รู้ทันจิตนี่แหละที่ว่าจิตจสิกขาเรียนเรื่องจิตเรียนจนกระทั่งจิตมันเคลื่อนพุบสติระลึกปั๊บจิตมันเคลื่อนพุบสติระลึกปั๊บ เวลาเราทำกรรมฐานนะจิตจะเคลื่อนสองอย่างเท่านั้นเองเคลื่อนเผลอไปไปโลกในความคิดนะหรือเผลอไปดูเผลอไปฟังเผลอไปดมกลิ่นเผลอไปรู้รสเผลอไปรู้สัมผัสที่กายเผลอไปคิดเผลอออกไปข้างนอกเผลอไปในรูปเสียงกลิ่นรถโมทภาพธรรมรมอย่างเวลายุงกัดจิตเราจะวิ่งไปที่ไหนที่แขนที่ยุงกัดหรือวิ่งไปที่ยุงอันแรกจิตจะวิ่งไปที่ไหน สนใจอะไรมากกว่ากันระหว่างจุดที่ถูกยุงกัดกับตัวยุงค่าตัวไหนก่อนระหว่างค่ายุงกับเกาทําอะไรก่อนแล้วแต่แต่ละคนนะ <c oughs> การที่จิตวิ่งไปที่ยุงก็จิตออกนอกจิตวิ่งไปที่แขนก็จิตออกนอกเหมือนกันนะี่จิตมันหลงไปจิตมันเคลื่อนไปเมื่อจิตไปคิดจิตก็เคลื่อนไปอยู่ในโลกของความคิด เนี่ยจิตมันหลงจิตหลงไปจิตเผลอไปเผลอได้หกช่องเผลอไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจส่วนจิตไปเพ่งเพ่งโลปประธรรมก็ได้เพ่งนามธรรมก็ได้นะแต่เจะไปอยู่นิ่งๆที่เดียวถ้าจิตเผลอไปนะันจะไหลๆห ล, หลไปไปอยู่ในโลกของความคิดซะเป็นส่วนใหญ่งั้นจิตของนักปฏิบัติเนี่ยเวลาปฏิบัตินะมันจะไม่เผลอไปมันก็เพ่งไว้นะ จะพลิกไปพลิกมาอยู่สองอันเนี้ยแต่ตรงที่เผลอ ER แล้วรู้ว่าเผลอ ER ตรงนี้แหละตัวรู้จะเกิดขึ้นจิตรู้จะเกิดขึ้นแต่อยู่ได้ชัว่วขณะเผลอ ER ไปแล้วรู้ว่าเผลอ ER ก็เกิดรู้สึกตัวชัว่วขณะถัดจากนั้นก็จะไปเพ่งรีบไปเพ่งไหมกลัวจะเผลอ ER อีกเนี่ยคนที่ปฏิบัตินะไม่จะพลาดตรงเนี้ยเผลอ ER แล้วรู้แต่รู้แล้วไม่จบลงที่รู้รู้แล้วไปเพ่งต่อเพราะกลัวจะเผลอ ER อีก อันนี้ต่างกับคนที่ไม่ปฏิบัติคนที่ไม่ปฏิบัติมีอย่างเดียวเผลอเผลอเผลอเผลอเผลอทั้งวันเผลอตั้งแต่ตื่นจนหลับเผลอวันละครั้งเดียวไม่เผลอตลอดเวลานั่นเองแต่พอเราลงมือปฏิบัติจิตเผลอไปไม่นานก็รู้สึกพอรู้สึกปุ๊บกลัวจะเผลอจิตไปรวกไปประคองไว้แน่นๆ่นขึ้นเองก็มีสามอย่างแต่พอเราฝึกชำนาญนะจะเหลือสองอย่างเผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้นะ แต่ฝึกจนถึงขีดสุดเป็นพระอรหันต์ละโแต่รู้รู้รนะไม่มีเผลอนะไม่เผลอจิตไม่มีการเคลื่อนทํำไมจิตไม่มีการเคลื่อนอีกต่อไปจิตนี้ใหญ่เต็มโลกธาตุเลยนะใหญ่จนไม่รู้จะเอาอะไรมาเทียบแล้วครอบจักรวาลเลยเป็นเนื้อเดียวกับจักรวาลเลยหลวงตามหาบัวเรียกจิตชนิดนี้ว่าธรรมาธาตุเป็นาธาตุเดียวกับธรรมสมเด็จญาณท่านเรียกสมเด็จพญานาคสังวรท่านเรียกว่าวิญญาณีณาธาตุหลวงปูดุลเรียกว่าจิตหนึ่งนะ ท่านพุทธทาสท่านเรียกว่าจิตเดิมแท้หลวงู่บุตราท่านเรียกว่าใจเดียวจิตเดียวหรือใจเดียวนี่จำไม่ได้แล้วนานแล้วงั้นพวกเราเนี่ยมันจะมีสามนะพวกที่ปฏิบัติเผลอแล้วรู้แล้วก็เพ่งเผลอแล้วรู้แล้วก็เพ่งถามว่าเอาอะไรไม่เอาอะไรไม่ใช่ว่าเอารู้นะไม่ใช่ว่าไม่เอาเผลอกับเพ่งเผลอก็ได้เพ่งก็ได้เผลอไปแล้วรู้ว่าเผลอ เพ่งอยู่รู้ว่าเพ่งรู้สึกตัวอยู่รู้ว่ารู้สึกตัวอยู่ในส่วนจะเห็นนะจิตที่เผลอเกิดแล้วก็ดับจิตที่รู้สึกตัวเกิดแล้วก็ดับจิตที่เพ่งเกิดแล้วก็ดับถ้าทํากรรมฐานอย่างนี้ดูอยู่แค่นี้นะแค่นี้ก็พอถึงจุดหนึ่งก็จะรู้เลยจิตทุกชนิดเกิดแล้วก็ดับจิตเผลอเกิดแล้วก็ดับจิตรู้สึกตัวเกิดแล้วก็ดับจิตเพ่งเกิดแล้วก็ดับสุดท้ายปัญญามันก <hea> ็เกิดนะาทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับ อันนี้สําหรับพวกที่จะเจริญปัญญาด้วยการดูจิตดูแบบนี้ก็ได้ดูได้หลายแบบเลยหลากหลายมากเลยวิจิตที่สดานมากนะธรรมะเนี่ยงั้นก่อนที่จะถึงขั้นเจริญปัญญาต้องมาฝึกจิตให้เป็นคนดูให้ได้ก่อนถ้าจิตที่เป็นคนดูเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตเราขาดเป็นช่วงๆคณะมันแตกแนละขาดเป็นช่วงๆอันนี้ทางนามธรรมานะทางรูปธรรมเนี่ยรูปกับจิตแยกออกจากกันแตกออกจากกัน ทางนำมาทำเนี่ยกระทั่งตัวจิตเองยังขาดเป็นช่วงๆให้ดูเลยจิตรู้แล้วก็อันหนึ่งจิตหลงก็อันหนึ่งจิตเพ่งก็อันหนึ่งคละอนกันไม่ใช่อันเดียวกันแล้วทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างเกิดแล้วดับเนี่ยพอคณะแตกนะมันจะเห็นไตรลักษณ์ถ้าร่างกายเราก็เห็นมันเป็นทุกข์เป็นก้อนทุกข์เป็นวัตถุธาตุไม่ใช่ตัวเรานี่เป็นอนัตตาดูจิตดูใจเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นอนัตตาแตกออกไปไม่มีตัวมีตนบังคับไม่ได้ ไี่เรียกว่าจเจริญปัญญานะก่อนจะถึงขั้นนี้ต้องมาฝึกจิตให้รู้สึกตัวสก่อนฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ลืมตัวเองสก่อนนะพอไหวไหมเราเชิญไปทานข้าวนิมนต์นะครับ